มันโคมีใครเก่งกว่ากันไหมงูกระพุ้กาหรอไงกระพนนี่อ่ามีใครเก่งไหมไม่มีสักคน เป็นยังไงแต่แ่ตาของมมัน่างนักแล้เห็นมันเองแล้วก็นันจะวานไปไหม่ว่าใค่นเงาเงี้าใส่ในสิงนั้อ หาเงินส่งเงนคุยสักสัปดาห์นึ่งก็รูเรื่องเทามันแหละหนึ่งอทพยายามทำบ่อยๆทำอไู่ด้วย si. an, way, ่ way, ้ว่านานก็ก็ทาทำแตวน้อยก็ทําคือถ้าเราทำจิตมันสงบนิดเดียวมันก็ไม่มีกาลังหลายการปวดการีวดมันก็หายหายไป ตอนนี้กานยมผู้ชายมีไหมล่ะทีนี้เนี่ยก็มีตอนที่มาเนี่ยเหมือนของม้าที่ที่มันเอออืมอยากจะไปอะไอ้บรรเทาสักท่านทุกทุกที่จะมาที่ให้คนนั้น มันเทำมาแล้วทุกคนเนี่ยเชิญทำมาที่ตรงเนี่ยอืมันเป็นวัดครับเป็นหอมเลยเบออะไรตามบ้านตังศึกเป็นาวัดบ้านครับ ก็ฝึกนี้นะนี่อว่าแขงนะฝึกมากไปฝึกไปแก่เร่องฝึกตัว trái ได้ไหมนี่นะนี่บ้านเพนึงเหมือนอยู่บ้านเนี่ย้องฝึกเนี่ยอยู่บ้านมันมนดีฝึกนั่งุึกม่อยๆฝึกด้วยฝึกับ านนการติดกินน้อยๆมันถือแบบมันปล่อยวางตรงนีนือให้ิตอันโศกเศร้าเป็นจิตที่สะอาดดูอยู่วามรู้ตามเป็นจริงอย่างนั้นก็ไม่เย็นมาปากตรง น, นั้นคือว่าแม้จะเรียรอยู่เรื่องส่วนห ก็เรารู้มันอยู่อังไม่รู้มันอยู่ทีนี่นถ้าเรารู้ตามความจริงเห็นั้นแ ล, ล้วเปล่าไอ้การปฏิบัติมันมันรวมดิจิตใจออเขามันังรวมแะมันทังรวมเยอะแล้วแล้วก็การส่งถึจนาเรื่นการภาวนาเราก็ไม่ไม่ไมจ้องอะไรมากกนะ็ได้จิตนี้มันจ่ทิ้งมัน อย่างเราต้องการภาวนาทำสมา ธ, ธิเราปึกใ ห, ใ ห, ใหม่ๆแหนวันนี้ไม่ได้นั่งสมาธิวันนี้ไม่เรียนติตเสียใ จ, จนี่มันเป็นไปอย่างนันอืมเป็นไปงนันอันนั้นกำลังของสมถะเป็นอย่างนั้นไอ้ความเดยที่ว่าถ้าว่าเรามีปัญญาละเมื่อไรที่ไม่ได้ภาวนานะั้นไม่มีอืมบางคนเราเรื่อ แม่ฉันเปีนี่ป่วยกับท่านปีเลยไม่ได้ทำเพียนเลยเนี้ยอืเสียดายได้คนอันนี้คือแสดงอาจารย์ต่ า, าที่าจรงโค้งของเราอนความเป็นจริงทํามมันสวยมันสวยเฉพาะขันทั้งหลายแบบนี้เห็นขันตั้งหลายที่ท่าเห็นชัดเพื่อมันเป็นขนาดไหนก็ยิ่งเห็นชัดกวไปกว่นานั้นมันพิเศษดี อันนี้ก็เดียวถ้าเราเต็นเห็นนั่นน่ะเมื่อพบความทุกข์มาเราเราทําเทียนไม่ได้ภาวนาไม่ได้อห็นไหมไคนๆนั้นน่ะถ้าพบความสุขอารมณ์สุขมาก็ภาวนาไม่ได้เหมือนกันนีมันง่ายลุ่มในการไม่อารมณ์นั้นอันเดี้ก็นไม่ใช่หัวใจอันเดียวกันทั้นั้นดังนั้นค่อยๆกำหนดกําหนดว่าเมื่อใดที่เราไม่ภาวนาไม่มีเพราะว่าเรามีสติ เป็นองค์สําพธิ์งของเราอยู่แล้วองค์คันธุ์ลูกเราีอยู่พร้อมดูเสมออันนี้มีอยู่เสมอพร้อนนมดูเสมอเรื่องอะที่เราไม่ภาวนานี่ยไม่มนนีการภาวนานี่ยมันติดต่อมันเป็นวงกลมมันติดต่อทำไมก่อนพุทธพันธคำตัณห์อาจารย์มันเอ้ยภาวนาต้องให้เป็นวงกลมให้เป็นวงกลม ทันงห้อย่างไรคนไม่รู้เรื่องมันไอความเป็นจริงมัน้องเป็นรวมคนเขาถึงมันติดต่อกันเสมออะไรมันจิตต่อสติสัมปชัญญะอะเรมัิดต่อเป็นรวนานี้ทมัรู้อยู่อย่างนี้อะไรที่มันมันมันเกิดอารมณ์นมัมันก็รู้จากอารมณ์ทุกอย่างทุกสถานทั้นนั้นแหลจะรู้ว่ามันเป็นอย่างนั้น อะไรเกิดขึมาไอ้ความมีใจเกิดจึ้นมาอาการมันเป็นอย่างนั้นเสียใจเกิดขึ้นมาอาการมันเป็นอย่างนั้นมันก็รู้พียเท่านั้นเป็นเรื่องเแต่ถ้าพูดถึงส่วนัาส่วยาวเนี่ยแต่เราพูด่วงมันโคมนติดต่อกันแล้วปัญญามันกิดตรงนม้นเกิดตรงที่มันโคลนคนนเน่งทีมันติดต่อกันีอย่างร่มอมันโคลนขนาดเท่านี้เถอามันยิ่งไปยูมันยาวไปถึงแค่ไหนเนี่ยมัน อันนี้ก็อันเดียวกันะมันออกจากอันโคลนี่เองปัญญาวมนี่ออกจากอันโคลนนี้อือันนี้จะไอความวุ่นว่ยอย่อยางนี้เป็นอยาน่างนี้ไอตัวที่สวดปัญญามันก็เป็นอย่างนั้นเหนบบ ม, มือนกันใช่คือคือหมายความว่าจุดที่เราจะต้องการภาวนาแล้วทุกอย่าง เราจะมองดูมนุษย์มองดูคนมองดูต้นไม้มองดูเครือเขาเชาววันทุกประการ น, นั้นมันเป็นค่ายมันมีเครื่องธรรมชาติมันสอนเราอย่างนั้นไม่มีเสียอเมื่อไอการพิจารณามันมีภากดีจานขี่มันอยู่อย่างนั้นน่ะมันเปนเพรามันอยู่เราจะนั่งเราจะนอนเราจะเป็นอะไรไหมจะเป็นเพ้ามันอยู่หรือไม่ไม่เป็นอย่างนการพิ อาการจินนานั้นถ้าอาการจินนาจรงอยู่ในที่สงบอาการพินนาจริงจริงเรานั่งสมาธิเข้าสงบปุ๊บเนี่ยความสงบนั้นมันมีแล้วหยีนัมันจะถอนลงมาอยู่ระลับอารมณ์นี่แล้วมัจะเกิดภาวนาเกิดการจินนาที่จินนาอยู่ในที่มันสงบอืม เหมือนไก่อะเหมือนไก่ที่ก็รังไว้ใกรงมันถึงแ่บมันเดนอยู่ในเวลานั้นมันก็โดนในงของมันถึงแม่บมันยืนมันก็อยู่ในกรงของมันมันไม่ออกนอกลรงของมันเรื่องภาวนาเรานี่เือนั้นเราไเุดแงมนตรงนั้นมันเป็นเองนมันเมื่อจิตรงกมันน้อมเข้าไปตรงนั้นมถึงวาระสะถอยมาอารมณ์ตั้งยมันพบ จิตใจนี้ถ้าไม่มีอารมณ์มีเหตุสัญญาตัวไม่ได้อย่างตัวสมาธิทํำเราเนี่ยอืเมื่อเรา ท, ทําถึงที่สุดมันซ้ำไม่สงบคือเทิดแต่มันต้องถอนออกมาดูมันตรงนี้มันเรื่อมันอยู่ตรงนี้เราผ่านเรื่องมาทึงตรงนี้โหดเย้งั้นเรื่อในขณะนั้นไม่ควรมีที่เรียนนะ <c oughs> มันมันมันหดเบื่อเบื่ตรงนี้มันผ่านเข้ามาดูกําลังมันมันเป็นตรงนี้ไอ้ตรงนี้มันหดเบื่อมันมีความสุตที่ความสงบเฉยๆพอทุ่ข้างหน้าหนึ่งไอ้จิตอันี้เนี่ยเออมันจะย้อนเข้ามาตรงนี้พบเรื่อเลยตรงนี้ตรงนี้มันตรงที่ให้เกิดวิพัฒนามันมีเรื่องใช่ไประจุเหตุเกิุม่ดตรงนี้ทื่มันมาเนี่มันอยู่เฉยๆแล้วนี่ยยกที่อบร้อนบ่มเฉยๆตรงนี้ ที่มีปัญญาบ่มที่ใส่บ่มแล้วก็มันสะท้อนตรงนั้นไปใส่ตรงนี้ซึ่งมันจะออกไปมันจะเข้ามาไอ้ที่เราจะทามันไม่ต้องทําให้มันเป็นอย่างนั้นมันจะเป็นเองของกันอย่างนั้นแต่อันนี้ไม่ใช่รเราทามันมันจะเป็นอย่างนี้ออกไปจะมีเข้ามาออกไปเข้ามาออกไปจะมีออกไป อ, อ, อ, อ, อีก อ, อันนี้มันมีหนึ่งอะไรแต่เป็นหมดปไปครับน่าจะเป็นอย่างงี้มี เข้ามาตรงนี้เราจะออกมาโบมเร้จะข อ, อไปครอบอพอถึงคนาจะกับออกมาโบกตรงนี้เพื่อเอาไปครอบมันจะเป็นอย่างนี้ที่เรียกว่าอะไราำาจะมากระจัดครับที่ท่านเดียวว่าสีอะไรสีเนะี่ยอ่าอาจจะมาไม่พูดจะพูดเดี๋ย่มึงมาดูจากวสีับ อาการเป็นนี้มันเป็นรสสาศีกลวก็เข้าๆออกออกถ้าพูดไปตามโครงแล้ยจะมาว่าจะว่ามันคลิกอย่างนี้ก็ได้ไม่ต้องออกตรงเข้ามันเปลี่ยนนี่มันเปลี่ยนคือคือมันคลนิกมันคิกมาอย่างนี้ก็เป็นหน้ามีก็เป็นอย่างนพลิกอย่างนี้ก็เป็นหลังนี้กันเข้ามาอย่างนี้ก็เป็นอย่านี้ออกไปก็เป็นอย่างนั้นมันอันน็นเรียวกันสมมติคนกโกงสงมมติ มันจะออกยังไงจะเข้ายังไงนาะมันก็คล้ายๆกันกต่มันอาการมันเปลี่ยนเมื่อกิจมันมาเข้าสมบมันก็เปลี่ยนจากความอยากออกมาอืมเมื่อถึงรายละเอียดมันเปลี่ยนจากความอยากสุดปลายเป็มันก็เป็นอย่างความเป็นจริงเมันเปลี่ยนนั่นแหละง่ายๆนะเราจะได้จากว่ามันเปลี่ยนระบบของมันเปลี่ยนเราต้องเป็อยู่อย่างเนี้ยเมื่อมันยังไม่ที่มันมาแรงก็เป็นอย่างนี้อ ตรงนี้ไปสืสวนตรงนี้จะมาอรงเพื <Türkiye> <qué genetic>. ่อบวกให้มีกาลังมีกาลังโกออกมาดูตรงนี้มีใจอันเหวี่ยงเอที่ตรงนี้เรียกที่ตรงนี้อามารวมที่ตรงนี้ถ้าเราหาว่าอาัอนนี้อันเดียวอันนี้มันอันนี้มันไม่มีอะไรมันไม่มีประโยชน์มันไม่มีประโยชนี้ลยตรงนี้ ข่ไปครับะดูพันนี้ดูพนี้ดูพนี้ดูขนัดเป็นกาลังเป็นไว้พื้นสิ่ัได้แล้ไปได้ไหมอันนี้เราไม่ต้องสอนเราจ้องมีท่าอารเปลี่ยนในตรงนี้เราไม่ต้องแปลงนี่แบบนี้มันจะเป็นแทันท่วอาจโนมัติขึ้นมเป็นยี่แบบการพิจาการพาเนี่ยข้างแรกก็ดูใเรืสัญญาของเราอืม ทั้งแรกเนี่ยดุญขมาตัมนท์ขมาเป็นสัญญาขนาิรูปพุธนาสัญญาสังสารินยานี้ไม่เวเธอเป็นเราเขาตั้งต้องพิธนาให้มันเป็นอย่างนั้นให้มันเป็นอย่างนั้นตัมนท์เป็นอยงนั้นตัมนท์แบบนันเป็นอย่างนั้นการสัญญาของเราสังเวชวสุขนะสงบดิ่ใช่ใช่ใสงบ ทุกทุกเมื่อว่าทุว่าเมื่อเราจะพิจณาอะไรเป็นต้นกเอาที่ที่มันสุกน่ะไปใช่ใช่อืเปาโดยที่ตเป็นใช่เป็นัญญาอย่างเม้ิงไรก็ไม่งต้อง้อาการิสม้องไปจนจนรู้ตเรีย้ ไป้มต่ันดบบเก่าคิดไปคิดอ้มันมันมันความรู้สึกอยู่ข้างนอกแต่ก็มันเป็นประโยชน์ไหมนะไม่ใช่เรามประโยน์นะอืมมันเป็นประโยนมันมันเป็นไมพดส่งเสริมกันขึ้นมาเลยนี่ ใช่ใช่ใช่อนี่ยทุกมาเราทาอะไรยังไม่เปลี่ยนเราทเสร็จแล้วกลับไปดูตรงนั้นก่อนดูที่มันอยู่เป็นังไงไดูถนัดแล้วกลับมาดูทำก็ยังไปดูตรงนั้นอยู่เป็ยังงตนมันเข้าใจในที่ตรงนั้นเนี่ยอยู่มาทำนั้นนี่ก็เหมือนมันนั่นเห็นมันนั่นลงวันนี่เราก็เรียนบอลพอในนี่ก็ตันติดต่อกันพยายาม อันนี้พูดเรื่องการกีบมันเองนะอืมอันตอนที่มันสงบไร้มันไปมันก็ไปไปแล้วมีมีแบบไร้มันไปมันก็ไม่ไปแล้วเรื่องที่มันตรงชาตมันหมดเช่มัน ไอ้ที่มันไม่หมดไม่อยากจะให้ไปมันก็ไปไม่อยากจะให้ไปมันก็ไปมันก็แปรได้ท้งเรื่องแบบนี้เป็นจรัานยังไงก็โค้งงอเป็นทุกอย่างอยากโยงที่ทสุดทำกรรมฐานปฏิบัตินีม่มันจะเป็นคปไทุกอย่าง มันจะโอยใจมันจะดีใจมันจะเสียใจมันจะรักมันจะเกลียดมันจะรู้สึกมันทุกอย่างให้มันเดินขึ้นบนยอดจนถึงที่สุดนะขึ้นข้างบนมันส <c oughs> <c oughs> <m any guide> ุดท mm. ี่สุดทางนั้นลงมา้างล่างมันสุดที่นี่นะสามเบี้ยนบอมันอย่าไปห้ามมันเลยอย่าไปห้ามมันเหลืออยู่ในใจของนั้นไอตรงที่มันมีอยู่นะตรงต้องต้องภาวนาวัตถุยางแก่ท่งแรก่ากลัวมัน กลัวว่ามันจะไม่ถึงหรือกลัวจะภาวนาไม่เป็นกลัวมันไหลไปมันยิ่งเป็นทุกข์ไงแล้วจะต้องเอางี้เท่ทีว่าเมื่อเวลามันวุ่นจริงๆเอาไม่ได้มันจะถอยมัก่นก่อนยิ่งเวลาเรื่องสมาธิมันชั่วช้จริ่งๆมันเอาไม่ไหวแต่ซอยถอยมันไว้ก่อนในเวลาที่กำลังเราไม่พอหมดเลยจะไปสู้มันทําไมล่ะอยู่มันเป็นปกตินี่มันจะเป็นอะไรมันจะบ้าเพื่อนมันนั่งรูทีนนอะ อีวันนึงมันเข้าไปจะได้แหละนะอย่าไปควรแต่ว่าอย่าไปทุ่งว่าอะไรก็เช่นมันเกิดมันจะทําให้เราเกิดสัญญาทันทีนั่นสิ่งที่มันเป็นเนี่ยเราศึกษาเนี่ยศึกษาที่เมื่อมันจิดสงบแล้วมันเป็นบางครั้งเดยต่อมามันก็ไม่สงบมันก็เป็นอีกนิดหนึ่ง คือดยความสงบเรื่อ ง, งสมาธิน่ะมันสงบแค่นั้นสงบแค่นั้นเรื่องปัญญาพิจารณานี่มันสงบอย่างแค่จริงของมันถ้าใครอยากจะให้ปัญญามันเกิดขึ้นมาโดยสมบูรณ์ของมันทั้งนี้มันสมบูรณ์จะหาเหตุไม่ได้อารมณ์ของวิพัส น, นาคืออะไรเอาอะไรมาเป็นอารมณ์ปัญญาทึงเก็บทิ อารมณ์ของสมถะนั่นคืออะไรเอาอะไรมาทํำสมถะมันจึงจะสดสงกอืย่างอนาปานสิสติอย่างนี้ น, นิพุทโธธรมโมทั้งหลายเหล่านี้หลายอย่างเป็นอารมณ์ที่จขีดของสงบเฉยทีนี้เมืวว่อเราสงบแล้วก็มันหมาถึงที่สุดมั น, มนเนรามาเกิดเพอที่หลังอีกสงบแล้วเพ้ออีก แล้วก็ตามมันไปดูเอ๊ะทําไมมันถึงมีเนี่ยเราจะต้องเกลียดูว่ามันเลือกอะไรมันมันมันมินสบกับปัญญาของเรนอือสมาถะนี้มันก็เอาไปเอาไปบางทีมันก็เด่นเลือกไป็มัธยีองบางคนก็เป็นเบาๆบอบๆอะไรตัวหลายๆอย่างเขียวดูเห็นโน่นเห็นนี่ใสารพันอย่างแกมันเห็นเลยอันนั้นไม่เห็นในปัญญาอือแกเห็ว่าไอ้ปัญญาที่จะทนเลยนะทนเนาะ ปัญญาท่านผู้ปัญญแต่ว่าร่วงเร่วงอันมีจำอันมีเจตตาเปในของไม่เทีย่ยงเจตจารสมาสุปันธะความเป็นของไม่ตัวตัวตนถ้าไปสุดท้ายที่สุดแล้วกำาังย้อนมาอยู่ตรง น, นี้เป็นทว่ามันไม่เทีย่ยง พิจานณาเรื่องมันไม่เที่ยนเงี้ยเนี่ยวันนี้มันสงบนั่งสมาธิมันสงบจามความเป็นจงออกก่อนแล้เก็บสบายใจเห็นไหมดีใจเห็นไหมนี่มันติดไปอย่างนี้นีพอมันรู้อันนึงเป็นอารมณ์ที่มันรู้จักให้ทีเรารู้จักทำโน่นนี้เราจะทำนี่สั่งยาแล้วก็ที่จะเล่นนอันนี้มันเป็นเนี่ยเนา เปียนมันไว้เนื้มันจะรู้แลอืหมือก็ต่อไปพุกวี้นั่นมันวุ่นวายเยอะเลยไม่สบายใจใช่ไหมครอบครัวมีมันเป็นรื่มันนี่มันไม่สงบมันวุ่นวายนอกจกบอกเขาใคอย่างนี้อนี้มันต้อแน่ตัวนี้สาคัญต้องจำเลยนะตัวสำคัญน่าทสุดอือ บางทีก็มันทามันทาทุกวันมันสงบทุกวันทุกวันแม่จะดีใจเบิกานอะไรอว่างเงี้ยระวังน่ะอืวังนะมันรอแล้วก็ไปในห้องแคบแล้วมันจะท่าแล้วมันจะอย่างวันหนึ่งนั่งยันไงมันก็ไม่สงอที่อะไรสําเแย่แล้วเราเนะมันเสือมเพราะอะไรน้อคิดวุ่นวายมันเตะให้เราคิดไปหลายฝันใจตัว อย่าวิ่งไปตามมันเลยอันนี้เราจะเจอเอออันนี้ก็ไปของไม่แน่ชองอย่างนี้นือจับลงตรงนี้่ะเนี่มันจะชอบยังไงมันจะรักลูกรักหลานรักคู่รักคนรักใครพอจะมันชอบใจก็อุตสาห์บอกว่าอันนี้อันนี้มันไม่แน่รันรักใหญ่มันรู้ตัวมันน่ะมันจะไปยึดินสุนไปแต่มันมีความ เผยมันมันมันมันเปียกอะไรอารมณ์ต่างๆจนเราไปพแลคุ้เองของว่าเฮ้ยอันนี้มันไม่แน่ลองเดินลองจับของมาเนี่สองอย่างพบของมเนี่ยกระโดดสายทางเลยอของมาเนี่ยมันเว่าถ้าอันั้นมันมาเนี่ตัสเดายหลของนั้นมันจะหมดราคาแล้วอย่างนี้อ่ามันจะชวนกิจของเราใย่าหยดไปไหมไหมมันเย็ดไปหมไหม เราสอมันทุกเวลาทุกเวลาเรงทเห็นวพอพอใเสียเสียใจกิดมาปุ๊ไ <old> อ <days> ้ความเป็นมแท้มาเอสิ่งที่มันดีใจเกิดมาบ้ตัวที่เราไม่แน่ไมนจะเกิดขึ้นมาพร้อมกันเลยอย่างเงี้ยนะอืมมีจะเป็นวธีอย่างนี้อันนี้ปัญญาเราจะเกิดไจะเกิดอันนี้มันไม่แน่างเนี่คือปัญหามันไม่แน่เรา้ะลองถายไปได้ที่้องกันมันโผล่นให่คืออ้่อย่างนี้ ทั <cin measurements> vi, so enrolled, right, ้งข้างนอกกับอยู page, ่ทังข้างในก็วนี้มันจะพบว่าจริงที่มันไม่แน่นี่เพื่อมันไม่แน่จะเอาอะไรกับมันแล้ยของม่จริงไหมจันจะให้มันจริงไหมจันจระเด่นกับมันไหนเด้แล้วก็ดูด้วยปัญญาของมันไม่แน่นอนของไม่แน่นอนว่าเรื่องของมันแน่นอนอย่างนั้นนะกัวเนี่ยคือจัดประทําคือมันแน่แล้วใช่ไหมเนี่ยตัวมันคือมันแน่แล้ว เมื่อในสิงมนี่ยนนนคือมันปูอันนี้จิตตาความเปไม่เที่ยนอะไรนันก็ไปเที่ยนไปเที่ยนดีอย่างนั้นอันนั้นแหละคือมันเที่ยนมันเที่ยนคือมันเจติตข้องมันอยู่อย่างนั้นมันตะกลับพวกมาแช่ที่เดิมของมันน่ดีเหตุเรื่องตันี้มันก้อนกันอยู่ออันนี้เป็นเหตุให้ให้คนภาวนาสบายเหมืันเรื่อยๆคือเม่ามันจะมีอยู่กันมันเจะมาบอกว่ามันไปแน่ เมันหนงก็ได้อ่ะเจอมันหนงได้อีกเจอมือนว่ไปที่ไหนตรมันอยู่ตรงนั้นน่ะอันนี้จังของไม่เที่ยงถ้าเราไม่เห็นมันก็จะทุกข์อนั้ตากเขาสิ่ทั้งหลายมันไม่เคยตัวตเราสะสมมันในม่สเนี่ยมันม่แน่วันในแม่ไม่้องกาง พอส่วนใหญ่มันไม่แน่เราเรามีความรักมากนี่มันไม่แน่เลยมันจะวางอีม่มีความเกลียดเมื่อที่สุด อ, อ่อปวจใจอันนี้มันก็ไม่แน่มัน จ, จะวางแต่ในเรื่อง น, นี้มันทำให้โมดคาลไมวางแล้วประคาลแล้วก็วางเตือนใจคนเราอันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญมากเห็นลองลองดูก็ได้ที่ที่เราจะเห็นสิ่งที่มันไม่เที่ยนปัญญาของตัวเอง ปัญญเกิดเลยรู้เรื่องสิ่งทั้งหลายทําไมเกิดเมื่อวานเกิดมันเป็นอย่างนี้แล้ววันนี้ทำไมมันเป็นอย่างนี้วันต่อไปทําไมมันเป็นอย่างนั้นเมื่อนกแสดงของมันอยู่อย่างนี้แล้วก็เกิดปัญญาเราเห็นชัดอันนี้ไปวุ่นวายกับมันเลยมันเป็นของอย่างนั้นระวังของมันอยู่พระบารมีที่เกิดสบายเขาพระโต้งของเราแม่ท่านไปอยู่เขาพิเดียท่านบายแบบนี้ แต่ทันรู้จักมันก่อนที่ไม่รู้จักมันเขาวุายกันไป่นอยู่กับมันอืมไอ้กิเดที่ดมันเศ้าหองอีกทีว่ะอันอันเรื่องที่มันเศ้าหองมันกิเเราตาอืเอารู้ดงที่ว่าสะอาดแ่ก็พิงที่สุดะโปรงอะอืตรงนั่นแหละอืที่ที่มันคุ้นชานแหละ ถ้าเรารูมันมันเป็นหินได้เสมอนันเาอยู่กายกันมันมันติดต่อกันอยู่เนี่ยอย่าไปข้ามมันไปเลยถ้ามันเกิดตรงนั้อยู่ตรงนั้นไปดูตรงนั้นเนี่ยอย่าไปดูที่อื่นอย่ว่าที่อื่นไปดูตรงนั้นแก่ตรงนั้นเห็นมันอยู่ตรงนั้นอืแต่คนเราชอบเผลอเนี่ยเผอไมรู้ว่ามันจะแก้ที่อื่นแล้วไม่ไปแค่ที่ต้นต่อมัน ไปแก้ผิดลายลวนันนึงอือไปแก้่ิดลายลวนันนไม่ดูจากอารมณ์อันนี้เดี๋ยวว่าเราจะแก้ปัญหาได้ดีที่สุดจะมี้แกปัญหาเฉพาะปัญหาที่ ม, มันเกิดมาจะพราะภายในจิตของเรานนเนี่ยนะถ้าถ้าไม่จอปัญหานี่ปัญหาภายนอกมันไม่จนหรอก ม, มันมีอยู่เสมอของมันแล้ว ทำามีมันมีอยู่กับเนันแล้วน่ะอารมณ์มากระทบมาแรมันจะแก้เหมือนั้นเลยอืมมันมีอยู่แล้วคือว่ามันจะไม่ไปคว้าเอาตรงนั้นตรงนี้ตรงนี้มายังมีขนาดอออขอไปแคทูกรยาใช่ไหยนีฉันนั่ไว้ที่ไหนไว้ทีนที่นี่อันนี้มันมายุกัน่ะขอขอบุณอ่ะ พ่ไปชอมัน hmm. ติด ever มือริมทุกเวลาแหละอย่างนี้อืมไอปัญหาเกี่วมันเกิดมาเขาเป็นนี้ก็มันเรียกว่าปัญหาก็เฉยมันพร้อมกันมาทุกทีทุกทีทุกทีทุกทีไม่ใช่ล้วมันมาปัญหาเถอยนม่มาถ้ามีความรู้สึกวีเราอหรือปัญหาก็เฉยมาที่เดียบไ้อยตรงไดนคิดแต่มันมาคล้องกันเนี้ยอืมมาคล้องกันเนยมันจะเป็นตำนองนั้น อันนี้มันจะถ้าเราจะโดยวิพัฒนาเนี่ยโดยแยกภายแบบเป็นนั่นอยู่นะมันจะมันจะมีอะไรตู้จิดติดต่อกันยึดตัวที่ว่ามันไม่ดอกนั่นแหละคู่ง่ายจ้ะอือารมณ์เข้ามาไม่ได้เนะถ้ามันเป็นแบบนี้มันจะเป็นอย่างนั้นใช่ใช่ใช่ ตัวนั้นไม่ตองหลอกในประมาณตรงนี้มันตน้องมีสติมีสัมปชัญญะอืมก็คือพูดอยู่แบบสติสัมปชัญญะคือมีกิตรู้อยู่นั่นเองพูดง่ายกคัเนี้ยอย่างนี้อืมเราจะเห็นมันอืมมันไม่มันไม่ ม, ม, ม, มีแบบมีดามันที่มันจะว่างจิต ใ, ใจ ข, ของเราที่ว่างไม่มีความรู้เน่ย มันเต็มเปี่ยมเรามันเนี่ยเต็มที่มานเนีมันจะมาทางใต้ทางเหนือจะมาทงล่างมันรู้ถึงันหมดใช่ไนมไม่ประมาณเนยก็เป็นคนที่ไม่ประมาณอยู่ในตัวอย่างนีมันเป็นมันมีสติเต็มเต็มเลยใช่ไม่รู้จะพูดก็พูดก็เหมือนจำได้แต่ถ้าทำอด้วยม เวลาที่จะให้มีสติตลอดทุก่มันเป็นเองแล้วผูทุกขรุ่นจนมันเป็นเองของมันผูมันเป็นเองของมันอย่างสกลายของเรานี่เน่ะมันจะเป็นศีรษะก็เช่นมันจะเป็นแขนในยืดเรอแข่มันจะเป็นเท้าเอาไปแขวนถ้าเอาเขียนเข็แตะนมันรวบอยูตรงนั้นเห็นไ มันรวมร่วมกันทังหมดเลยอันนี้คมันกันนาเรามีสติอยู่มันเป็นอยู่อย่างนั้นทางพัดทางตาทางหูทางจมูกงยิ้นทางกายทางจิตมันรวมกันหมดเป็นก้อนเดียวเป็นก้อนเดียววะแค่วามันก็อไม่ช่ไยากถ้าพว่ามันยากัจะยากทำไมคือมันยากเฉพาะที่เรายังไม่เต็มออะไรที่เรายังไม่รู้มันก็ยากอะไรที่เราเป็มแล้วรู้แล้มันก็ง่าย ก็เป็นบรื่องธรรมดาอยู่แล้วนี่มันต้องฝึกเอาการนั้นฝึกและอืมมันฝึกอมันมีอุบายฝึกอืมแต่เช่นเช่นอย่างอยัางเราเป็เด็กเรเรียนหนังสือมันง่ายมันยากนะอืม่รู้ว่าอะไรมันเป็นอะไรเลยไอ้ครูมันไปจับไปที่ไปโน่นไนี่ไม่รู้ที่ปีกี่ชาติทนี้เมื่อเรามันเข้าใจในอันนั้นแบบนี้มันก็รู้มันเองมันง่ายขนงยอื แตเรื่องที่ใีเรื่อที่ส่ยกอืมอืมอม็นค่นัตัิบัตริตงวงบ เมื่อวตโรานี้ดล่เลยถ้าพอตวัน้เราก็ต้องรโดม่แน่เรามแมเออ่แตงี้ละอืงดามือดีตรงนี้ตรงนี้นะตรงนี้แหละนก็แค่เงินตรงนี้พอมันโดนทุดเลยอันนี้แต่อารมณ์ของยิปัสนาอารมณ์ของยิปัตนาเอาอันนี้เป็นอารมณ์เพื่อจะให้เกิดปัญญา อ่าทำไมเป็นก็เพรามันมีแยนกเป็นนั่นแหละนี่แล้วก็เห็นอย่างมันขมวดนะมันดึงมันดูดไปด้วยอันนี้เราทํำอ่าจิดของเราก็ให้วันสงบแล้วด้วยธรรมะขึ้นกำลังเสืบไปบางทวันมันก็ดีบางวันมันก็ร้ายบางวันมันก็ดีบางวันมันก็ร้ายบางวันก็ดีบางวันก็ร้ายมันเป็นยังไงมอ้เป็นนี่จะได้ร่วมันนี่ แล้วก็หาทางคนเราสินี่คนเรลื่อนยังไงอมไม่แน่นอนอย่างเนี้ยแต่ความเป็นจริงเนี่ยเราก็มุ่งเออมันเลื่นปัญญาเป็นสิ่งที่ ส, สำคัญเรื่องที่เกิดปัญญาให้ละให้วางอมืมันไม่แน่อารมณ์ที่มนจิดใจเรเห็นว่มามันไม่แน่ทุกอย่างอะไรถูกแนละ้ว ไม่คิดแล้วไม่คิดอาตธรรรู้ที mm. oh, so, that, children, <the> ่อะไรมันคิดต่ไม่คิดแล้วเป็นต่อมาเคยบอกว่าอย่าไปเอาสิ่งจังกับสิ่งที่มันไม่ใช่สิ่งจังที่เนี่ยบางทีคนเดี๋ยวเขาพูดกับองค์ท่านสอนว่าให้คำพูดของนักปราช ต้องไปทานจากอนิจจังคำพูดของนุพุชนชนเราปราดไจากอนิจจังเช่นว่าครั้งนี้ผจะาปรนเทศไไปแน่แน่นอนไม่ตัวทเด็กๆไปแน่อันนี้มนมนไม่ใช่คำพูดของมันเรารู้ไหมว่าแต่วันนี้จะถึงพรุ่งนี้มันนีอะไรมไหมวะ มันเพียงแค่ว่าเราจะคิดมาจะไปกรุงเทพเท่านั้นหรือเราจะคิดว่าจะไปนั่นเท่านั้นรวยะเนี่ยมันเนี่ยเป็นสภาวะที่เราคิ ด, ดเรา่ฉยๆเรายังไม่ไปมันไป่ไหมถ้ายังไม่ถึงตรงนี้ตอนคืนว่าแม่มันปวดท้องหนักเราทไปเสียท้องไม่ไปไหนมันก็ไปไมด้เหรอเหตุกัรนั้นมันมีอย่างนี้ที่เรื่องไปเนี่ยมันมีคุณค่าหลายประกา จับไปเรีกทุกเกิดมือเนี่ยมันจะช่วยระบายปัญญาณช่วยระบายปัพยาทปยาปมมัญญาจะเพิ่มเพิ่มเพิ่มขึ้นมาเรื่อยเป็นคนที่วางป่อยอารมณ์อารมณ์ที่ชอบใจเรียกเกินมันมากระทบประเด็นว่าเออมันไม่แน่น น, น, น, นี่ทุกอารมณ์เลยอันนี้จะเป็นสุด วันจูมาแล้วก็แม่มันสูงใจม่แน่ปาดเปนไงอือจด้ทุกข์ไปสัวมาทีนี่ไปแน่มันสะเทืเนไป่อยๆมันจะถูกทุกอย่างอันตรธานทุกบอว่าตัวอย่างที่เราป่วยเราเ้าโรยาบาลนี้เราจะต้องตั้งใจไมนถูกตั้งใจไมนถูกนะถ้าเราเอาไปหายสา วัตรรเดือเนาะกจกรรมราได้น่ะแต่เราต้องต้องพยายามศืนทีลจะน้อยจะน้อยไปทุกวันทุกวันการให้ทานการสมาทานถิ่การพิจารณาธรรมะนี่ให้ให้พยายามทําเรื่อยๆให้คนที่ทําวันเดียวเนี่ยตอนปลายจะทําวันเดียวไม่ได้ทำจะทำไงเป็นนิสัยไปด้วยเป็นปัจจัยไปด้วยในเวลานั้นดี ต้องทำสติให้มากอันนี้อย่าไปคิดว่าฉันทำงานฉันไม่เลยภาว น, นาเลยอย่าไปคิดแึ่นั้นสิอย่าไปคิดแึ่นั้นอัจมาตเราบอกให้หลุดติดเขาว่าฉันไม่มีโอกาสว่าไในใครสักคน ไม่มีโอกาสว่างเลยทำไมทํางานค้าขายเมื่อคนยังยังทํางานอยู่ดังค้าขายอยู่มีเวลาหายใจไหมคือมันข้ามไปมี่ว่าจะทําแต่อันนั้นทิ้งทุ่มนะอันั้นมันคิดผิดไปดีอันั้นคิดผิดไป ในความเปนยิงจับโน่นจับนี้ทงโน่ทนทำนี่ท่านใจจะตินอยู่ทุกครั้งทุกเวลาอันนี้เกี่ยวกับการภาวนาทั้งนั้นนะลองลองดูกรได้แต่คนนี้เป็นก่อนในคนที่ระทำงานจะทงางันตอนยินเคยทำนัำ่งสมาธิเกินนั่งนะไปไหไหวไปไม่ไหวอารมณ์มันมากสายเราแก้ไปที่วันนีไนไน้ไปก่อน อะไรควรทําได้เราก็ทำไปนะอะไรทำจะขึ้นอย่กับให้เรารู้ต well ัวของเราอยู hmm, ่ถึงในวันนี้เราทําผิดอยู่ก็ยังรู้ว่าเอออันนี้มันผิดไรแต่เราทําอยู่แต่ว่ามันผิดจริงแค่ให้เรารู้ไว้อย่าไปทิ้งมันอ่ะอย่าไปทิ้งมันรู้ว่าเราทําผิดอยู่เราก็รู้ความผิดอยู่รู้ว่าทําผิดอยู่ก็รู้สึกอยู่นั่นแต่ว่าเป็นปลาดคลุมแล้วนะอือย่าไปทิ้งมันเลย ที่ขคาวมันมีเวลามันมีโอกาสมัจะทำเพรามันไม่เป็นไม่เคยเห็นเป็นภาวนาที่ดีว่าเมื่อเวลาทำสิ่งที่จะทำมาเมือ่ออยู่เป็นปกติการทำการทำงานอะไรต่างๆนี้ไม่มีสติรอครอบครองอะพระเจ้าประสง์ก็มันเปนไม่เป็นเลยไม่เป็น ถ้าพยอยามจตีติดต่อกันอยู่ทุกสิ่งทุกอย่างไปอยางต้น <Okay. S 2> มันเป็นพวกไหนเังาพวกไหนมันคนหลายคน อุคา็วคือคว่ามันถึงถึงที่มันจริงจริงที่ว่าไ้ความเจ็บปวดไม่จะมีหมดมันไม่รับหมดคป็นบาคนคนหนึ่งที่ว่ามาไปลองสะโพกไหนรับในยินเสียงในคนนั้นรับรู้อยู่แต่มันแสดงอาการมอไม่ไวได้ันี้ยมันรู้อยู่เอา เาพอทุกควรเลยในเวลานั้เี่ไอเวทนาของเราเนี่ยมันไม่ตามเป็ตลอดตายนี้เหมอกันนะแต่ว่าเรารู้จักอาการคนภาวานาเนเวทนาทุ่งเวทนานี่มันตามไปทุ่งครึ่มันจะวางตรงนั้นตรงนี้ดีได้รู้แจ้งแจ้งตรงนี้ละเอียดความละเอียดทนให้เราให้กำลังใจใช่ไเราจะพูดจะให้กำลังใจใช่ไหมจะให้กำลังใจชงงใจช่ไหมอหาก่าอะไนี มันสวยนิดเดียวจะบอกให้กลับได้คนที่เคยทำในคนที่ไม่เคยทำมันไม่รู้เรื่องเลยถ้าคนที่ไม่เคยภาวมาเลยจะบอกวาแต่ว่คแค่ไนั่นั่เวรเวรกลางที่ใกล้ติดตาก็ทำให้เด็กรู้สึกเกิดคามเบื่อต่รายโดยโดยปัจจุบันนั้นเป็นไปได้ <ừ. S 2> <c ười> เป็นแบ่ไม่นอนั่อบบคนเบื่อคนที่ไม่เคยทำมันเบื่อเด้มันเกลียดนะไม่เคยมันเบอย่างพระพุทธเจ้าไม่เคยเบือย่างพระนิเจ้าที่คนภาวนานะท่เบื่อมันทอดอะไรมันต่างเบื่ออย่างคนหนึ่งเบื่อคนอีกราคาโทรศัพมันเบื่อเด้อรำเกลียดอย่างเราที่บอกไปเรเบื่อมัน ไปบ้านเขาเนืองเบื่อเบือน้ำหน้ามันเบือไม่เจริญหน้ามันเบื่อแบบเนี้ชื่อมันอันเดียวกัน อ, อย่างนี้ก็าสางมันเบว่อไอคนที่ไม่อรมแ์ใจมันพุ่งพอแล้วตรงนั้นอยากอืม ใช่เป yeah. ็นเทนาใช่เรียนะถ้าม่มีเวทนานี่ท่านจะเห็นว่าสักว่าเวทนาท่านพูว่าสักว่าเวทนาท่านก็เห็นเวทนานั่นแหละท่านพูดว่าสักว่าเวทนาไม่ใช่เวทนามันไม่เวทนานี่ก็สักว่าเวทนา วันบูรณาอยู่จะเห็นเองเป็นสักว่าเวทนาทรานั้นไม่ใช่ัดไม่ใช่เป็นคนตัวตนเ่าเขาจักเ่ียป็นเบูรณาจักเป็วัตกายสักเปวนว่าเวทนาจักเป็นวัตสัญญาสักเปวัตสังขานจักเป็นว่ายิญยาไในความจริงมันมีเรือไม่มีเป็นสักว่า อันนี้เป็นส่วนกำหนดใเ้คุณนาเราปล่อยเนี่ยผมกลักว่ามันจะขอาไปรูปอนีตจังกันไปในบังคับในเราสอนในเราคิอมื ม, มบ้านดมีเมื่อ บ, บ้านดมีเ น, น, น, น, นี่ยแปลว่าคุณทำมันยกขึ้นแต่แล้วบุคคลที่เราสร้างมาสร้างสงสรมจลงมา ทานบารมีานบารมีทานปรมตบารมีนบบารมีีับบารมีสีัปรมตรมีการทานขั้นสงอุปาเข้าคิดเข้าไปตรนั้นปรมิตาบารมีเป็นต้นขั้นที่สามนี่เป็นบารมีที่สุดของการทานมีสามีสาม ในอำนาจของจิตใจของเราบารมีแต็มไปว่าคุณทำมันอยู่จริงแต่ว่าคนจะมีโอกาสพระอริยธก็มาจากคนแล้วอริยธรรมาจากผู้ที่ชอบเมื่อไ่ น้ายังไปทำยังไปคิดเห็นมันไม่มันมีบาลามีเลยเคยอ่านที่ประวัตินางวุกขาไหมตอนไหนไปทำประวัตินางวุกขาเนี่ยหยิบน้หยิบปบวัติางวุกขามาอ่านเลย ไม่กำหนดพบท น, น้าเลยนะเมื่อจิตอารมณ์ยังสนุกสนานยังอยู่นะใจจิตเป็นกุศลจิดเป็นกุศลหลายโดยที่ไม่มีสมบัติ ห, หลายแต่ก็ไม่ห่วงสมบัติเอาสมบัติ ทำเรีนให้ทานยังร้องปรุงอยงองู่นะยังขับร้องอยู่นะสนุกสนานอยู่แต่ก็ ย, ยิดเป็นกุศลทิฏฐอายุธกุศลมัไม่มีเนี่ยเป็นวุน ก, วนนกัจรชนไม่แม่งูงนีคู่อมมีมีลูกดดูหลายคนอีกเท่าไรี่สิบคนอ มาอะไรอ่ะอ mm ืม hmm. ม mm ัน hmm. ม mm ีท hmm. mm ี่สร้างสมต้องเข้าใจว่าสร้างมามันไม่ผลไม่เห็นผลทำไมต้องคิดอ่ะก็ปฏิบัติแล้ววางใจจิที่จะท่สร็จ ของเขาอ่ะนี่นม no ันให้เขาของเขายกเว้นเาทำไมล่ะน้อยมันคิดคิดเนี่ยคิดเดดเนยคนมันมันเป็นอารมณ์อย่างนี้เนี่ย เพื they, they the mm ่อพมาย้ำแกด้วยปัญญาของเราอ่ะเื่องนี้เพยังเพืยึดจิตของเราให้มีกำลังขึ้นมามองดูทุกทิศทุกทีศมองไน่นนี่งไงก็ครดีใครชวิงเดยนมั้ง ที่จะไปเทียบสูงกันไปดีมันใจจะขาดเลยเราย้อนหลังไปมองดูทีมองดีกที่ว่าให้ใจเรามีกำลังหนะ่อยอย่างน้อยเราก็จะมี อ, อวัยวะครบถ้วนบมนีบูรณ์ทํามาให้กินในสะดวกไอ้คนที่มันเกิดมามันเป็นโรคอัามาพาตตั้งแต่มันเกิดมานี่ยนะนอนเอาเราไปวัดไปที เดินาดีกว่านมานีแล้วเวลาคนที่สูงกว่าเราเนี่ยเราก็น้อยจนตายเรื่อยไปละล้มเร่อยไปละเราจะไปสิทอย่างนนดีอย่างนั้นอย่าไปคิดดิเหมือนไปลาบภาวนาทำไปเลยแล้วมองดูคนที่มันต่ากว่าเรา ใจวันี้จะมีกำลังขึ้นมึงจะไปมองนู่นรายนี่หัแถวนเน่ยแรงก็น้อยเท่า น, นันจะไปไหวไปคิดอย่างนั้นนี่คือไม่รู้จักมาให้กำลังใจคนแกร้องคนเ น, นี่ยมันพูดนว่าตัวมันมันเป็นโลกโลกเลือ่อน แม้จะจะนอนกับเพื ode, ink ink in u, anda, in ่อนมันจะนอนไม่ได e ้จะกินกับเพื่อนมันก็กินไม่ได้จะไปนั่งกับเพื่อนมันก็ไปนั่งไม่ได้ไอ้ความปรารถนาของมันมันก็ไม่ปรารถนาเอาอะไรมากเลยแม่ฉันเกิดมาให้มันใหมันอยู่กับเพื่อนได้ก็เอาเนาะไม่ต้องเอามากเลยเนาะใอยู่กับเพื่อนหน่อยกินกับเพื่อนหน่นอนกับเพื่อนได้ถ้ามันเพื่อนอยู่ตั้งเยอะถ้ามัพอแล้วเนี่ยเถ้านันพอแล้วแต่คนนั้น แต่คนที่ไม่เป็นโรคเื้อนมันไม่ปรารถนายังไงมันเอาผูไม่เทวดอย่างนีี่เมันเป็นวัดเลหาะมัต่าวัดมันจัไอคนที่ไม่เป็นโลกเลื่อนคนที่ีอวัยวะสมบูรณ์โมบูลมันไม่คิดอย่างนั้นหรอคิดก็สมุนนั่นนี่ไอพยธาญาญญาเกิดสูญยี่คิดไปตันนั้นเน่ยไปเชื่อเขนมันเิ ไม่เขียนเองโอเคไหมไม่ไม่แล้วก็ไม่ได้อะไรเนี่ย <c oughs> แล้วหาหน้าก็ต้องกลับมาอ <c oughs> ีกแล้วรู้สึกว่ามันกลัว <c oughs> <c oughs> ทำไมล่ิจะรู้จกมันจะกลับมามันจะไม่กลับ มั น, นจะมีสี่คนคนที่ไม่เคยที่นี่มีก่คนไหมดูมนี่ก็นี่เรื่องปัญหาทางออกแล้วถ้าหากอารามันจะในโลกโงนะ่นมันจะมีเป็ดความคิดมันจะดัน เ, นเอกอย่างนั้นนะ มไม่มีใครเอาเข็มไปแย้มมัก็ฟิสกันนั่นแหละไม่มีที่จะไปบนหน้าอยู่แล้ ว, ดดล ว, ลวดดกรดดไรปมา น, นีมยทกทุกอร ุทุกเวลาตีทุกเวลาตีทุกมรณะทุกมันทุกอันตมาที่มันโยมก็สวทุกวันคนนื่นงสวดที่เนี่ยให้มันกามาฟังนี่มันมีนิสัยอยู่ว่าทุกอย่างัวอนี่แหละอย่ติตัวสวดทวันทุกวัน อยากจบเร่องไห่มาก็มาฟังคนที่ไม่เคยฟังเคยฟังบางคนมีนิสัยนะเพราะได้ฟังสวดที่นี่บางคนเนี่ยกลับเข้ามานะแล้วดูเงินเอาไปพิจารณา เพราะองควรู้สึกว่าไม่เคยไม่เคยท้าบถึงคุของพระพองค์ได้ได้ทราบงคำสั่งที่วาอบสแล้วรู้สึกส่วน้างแรกกับเนส่วนที่บ้านยังน้ำตาไหลเลยเพราะว่าพระพุทธองค์มีคุณเกิคือตอนที่รับฟังเหมือนจะพูดให้ทราบว่ามันไม่มันไม่ตึงท่ามกลองที่ ถ้าเกิดว่ามันีสีมเกโนเป็นประโยน์เยนั่งรถไฟกลับไปเรียได้ยินเสียงดูมันมันมันมันเัมันนมันมันมัมันัน ตัวได้แต ja ่ไม่เดียวกันคือศาสนาอนเดียวค่ะคือคมที่มันถูกต้องอย่างน้อย่างพุทธาสนาตันี้ที่มีพระพุทธเจ้าพระพุทธศาสนาหลักการรู้อนรรมปฏิบัติเบื้าสนาพุถ้าพูดไปอย่างนี้มันก็เป็นพุทธในตัวมันอยู่แล้วไม่ตงพูอะไรแสิ่งที่มันถูกต้อง ใครไปทำมันก็ถูกต้องเพราะดังมาทำก็ถูกต้องคนกินมาทำก็ถูกต้องที่มันถูกต้องอยู่แล้วนีอันนั้นแหละคือพุทธศาสาคือานอยู่ไม่เรสุขภูมตใจนามกันดามโดยชื่กันดีก็ก็ดีใจกันเช่นถ้าคิดเป็นที่สุดมันไม่ลุ่มหลงมันก็ต้องไปอย่างนี้คุณเขา ในทางปฏิบัติปฏิัติในความจริงจริงเก็ะมันก็จะมีอะไรสรัาวะร่างกายมีนหี้มันมันคิดแล้วแต่ละมันจ็มาสร้างประโยชน์ในปัจจุบันนี้เสมอตอนนั้นเนี่ยในในแต่ละอันนั้นมันจะมีอะไรอยู่ตรงนี้คุณค่าลงก ม, มุดที่เดียวเกยบไ ว, บว้กำหรับดไปนักศึอษ ี่นิโออันพ้นเมีแม่มีอาจารย์นะนี่พนัให้เกิดกำลังใจขึ้นมาอาจาวนนี้จาลกทีนกที่จะคิดดูการันาที่เรือนิดัมันแจะคิเนี่ยนสังนิดตัวการภาวนาใีื่อความต้องตัวเร่งสิที่ต้องมิมาดาที่เรย การปฏิบัติการปฏิบัติมันเป็นสิ่งที่สาคัญที่สุดของปฏิบัติมันจะรูปมันจะหเองมันจะอักเสบเรยูี่มยมันไม่เยอยอย่างสมิหนมา อย่างนี้นะครับแลนเข้ามาหนบคันคุณนะนี่บเขมือไหร่